นิสสกิยาปาจิตตีสิกขาบทที่หกว่าอนหนึ่งภิกษุใดขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือนก็ดีต่อแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มีชายญาตินอกจากสมัยเป็นนิสสกิยาปาจิตตีนี้สมัยในคำนั้นภิกษุเป็นผู้มีจีวรถูกชิงเอาไปก็ดีมีจีวรชิบหายก็ดีนี้สมัยในคำนั้น คำว่ามีใช่ญาตินั้นคือไม่ใช่คนเนื่องถึงกันทางมารดาก็ดีทางบิดาก็ดีตลอดเจ็ดชั่วบูรพาชนกเหตุไฉนท่านจึงนับญาติเจ็ดชั่วข้าพเจ้าเข้าใจว่ากำหนดเอาที่อาจจะเห็นกันได้คนผู้จะเห็นบูรพาชนกของตนชั้นสูงสุดก็เพียงทวดอาจจะเห็นอนุบุตรของตนชั้นต่ําก็เพียงเหลน นับชั้นตนเป็นหนึ่งข้างบนสามข้างล่างสามรวมเป็นเจ็ดคนเราจะพบญาติก็คงในเจ็ดชั้นนี้เองยังไม่เคยมีล้ำสูงขึ้นไปหรือล้ำต่ำลงมาหากมีขึ้นยังนับว่าญาติได้อยู่นั่นเองเคยและสะพยท่านไม่นับว่าเป็นญาติสมัยที่จะขอจีวรต่อข้ารืหัดผู้มีช่ญาติได้นั้น คือภิกษุมีจีวรถูกชิงถูกลักหรือหายเสียมีจีวรชิบหายเป็นอันตรายใช้ไม่ได้ต่อไปไม่มีสมัยเช่นนี้ภิกษุขอจีวรต่อเครือหัสชายหญิงผู้มิใช่ญาติเว้นไว้แต่คนปวารณาซึ่งทรงอนุญาตในสิกขาบทอื่นเป็นทุกกฎในประโยคที่ขอเป็นนิสสคี โดยได้พามาคำเสียสละแก่บุคคลว่าดังนี้อิทังเมพันเตจิวรังอัญญาตกังคหะปติกังอัญญันตระสมยาวิญญาปิตังนิสักขิยังแปลว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าขอแล้วต่อเจ้าเรือนผู้มิชายาินอกจากสมัยเป็นของจำสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านอาบัตเป็นอาจิตตกะคือแม้ไม่เจตนาเพราะเหตุนั้นถ้าเขาไม่ใช่ญาติรู้อยู่ก็ตามแกลงอยู่ก็ตามสำคัญว่าเป็นญาติก็ตามขอในมิใช่สมัยเป็นนิสักคียาปาจิตติทั้งนั้นเรียกสั้นว่าติกะปาจิตติ เขาเป็นญาติสำคัญว่าไม่ใช่หรือแคลงอยู่ก็ตามขอเป็นทุกกฎเขาเป็นญาติรู้อยู่ว่าเป็นญาติขอไม่เป็นอาบัติเพราะคำในสิกขาบทว่ามีใช่ญาติจึงขอต่อยาติได้เพราะคำว่านอกจากสมัยจึงขอได้ในสมัย เพราะมีอนุญาตในสิกขาบทอื่นจึงขอต่อผู้ปวารณาได้ในคำพีวิพังว่าขอเพื่อผู้อื่นและได้มาด้วยทรัพย์ของตนไม่เป็นอาบัติขอเพื่อผู้อื่นนั้นพึงเห็นเช่นเพื่อภิกษุผู้มีผ้าหายถ้าจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตนนั้นไม่ใช่ขอต้องไม่เป็นอาบัติอยู่เอง นิสักคียปาจิตตีสิกขาบทที่เจ็ดว่าพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีภูมิเชญาติเป้าวรณาต่อภิกษุด้วยจีวรเป็นอันมากเพื่อนำไปได้ตามใจภิกษุนั้นพึงยินดีจีวรมีอุตราสงกับอันตรวาสกเป็นอย่างมากจากจีวรเหล่านั้นถ้ายินดียิ่งกว่านั้นเป็นนิสักคียปาจิตตี ข้อว่าพึงยินดีเพียงอุตราสงกับอันตรวาสกเป็นอย่างมากนั้นในคำภีวิพังแสดงว่าผ้าหายสามผืนพึงยินดีสองผืนผ้าหายสองผืนพึงยินดีผืนเดียวหายเพียงผืนเดียวอย่ายินดีเลยคำว่ายินดีในที่นี้หมายความว่ารับหรือถือเอาด้วยความพอใจ ในประโยคที่ยินดีเกินกำหนดเป็นทุกกฎได้พามาเป็นนิสักีคำเสียสละแก่บุคคลว่าดังนี้อิทังเมพันเตจิวรังอัญญาตกังกะหะปติกังจทุปจริงวิญญาปิตังนิสักียังอีมาหังอายะสมะโตนิสัชามิแปลว่า จีวอนพื้นนี้ของข้าพเจ้าขอแล้วเกินกำหนดต่อเจ้าเรือนผู้มีชัญาติจำจะสละข้าพเจ้าสละจีวอนพืนนี้แก่ท่านอธิบายนอกจากนี้เหมือนในสิกขาบทก่อนมีแปลกแต่ในส่วนอนาบัติคือการไม่ต้องอาบัติในคำภีวิพังแสดงว่านําไปมากด้วยคิดว่าเหลือจะเอามาคืนเจ้าของข้บอกถวายส่วนที่เหลือ เขาไม่ได้ถวายเพราะเหตุผ้าถูกชิงหรือผ้าหายรับมากกว่ากำหนดไม่เป็นอาบัตสิกขาบทนี้ส่งบัญญัติเพื่อให้รู้จักประมาณรับมากเป็นไม่รู้จักประมาณรับเข้ามีโทษไม่รับเป็นการเสียศรัทธาของเขาไม่รับเป็นความเสียหาย ระคันธารโรจนาจารย์เพ่งความข้อหลังนี้จึงกล่าวอนนาบัติไว้ดังนั้นข้อนี้ควรถือเป็นตัวอย่างประพฤติให้พอดีในการรับอย่าให้เป็นโลภจนเข้าเบือ่ออย่าให้เป็นการอวดมากน้อยจนเข้าเสียใจนิสักยะปาจิตตี สิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งมีพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มีชัยญาติตระเตรียมทรับสำหรับจ่าจีวอนเฉพาะภิกษุไว้ว่าเราจักจ่าจีวอนด้วยทรับสำหรับจ่าจีวอนนี้แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวอนถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ปบารณาไว้ก่อนเข้าไปหาแล้ว ถึงการกําหนดแนวจีวรในสํานักของเขาว่าดีละท่านจงจ่ายจีวรเช่นนั้นเช่นนี้ด้วยทรัพสําหรับจ่ายจีวรแล้วอย่างรูปให้ครองเถิดเป็นนิสสกิยะปาจิตตีถือเอาความเป็นผู้ใคร่จีวรดีมาเหตุผู้อ่านคําว่าอย่างรูปให้ครองเถิดคําว่ารูป เป็นสรพนามที่ใช้แทนตนเองซึ่งจะพบได้จากสำนวนในหนังสือหรือคำพีในสมัยก่อนคนผู้ไม่ได้ปวารณานั้นคือคนไม่ได้เป็นญาติและไม่ได้สั่งไว้ให้บอกให้ขอในคราวที่ต้องการข้อนี้จะแก้ข้างหน้าในสิกขาบทที่ว่าถึงเรื่องปวารณาภิกษุรู้ว่าเขาจะจ่ายจีวอนถวาย เขามิใชญาติมีใชยคนประวรัตนาเข้าไปสั่งให้เขาจ่ายจีวรที่ดีกว่าแพงกว่าเขาจ่ายตามคำเป็นทุกข์ในประโยคที่ได้มาเป็นนิสสคีคำเสียสละแก่บุคคลว่าดังนี้อิทังเมพันเตจิวรังอุปเพอัปปวาริเตนะัญญาตกังกหะปฏิกังอุปสังกมิตวาจีวเรวิกับปัง อาปันนังนิสัขียังอิมาหังอายะสมะโตนิสัชามิแปลว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าเขาไม่ได้ปปาวรณาไว้ก่อนข้าพเจ้าเข้าไปหาเจ้าเรือนผู้มีชยญาตถึงการกำหนดในจีวรจำจะสละข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านเพราะคำว่าถือเอาความใกร ในจีวรดีกว่าในคำภีวิพังท่านจึงกล่าวว่าเขาปรารถนาจะจ่าจีวรมีราคามากสั่งให้จ่าจีวรมีราคาน้อยไม่เป็นอาบัติอธิบายนอกจากนี้เหมือนในสิกขาบทที่6อันว่าด้วยเรื่องขอจีวร นิสักคียปาจิตตีสิกขาบทที่เก้าว่าอนหนึ่งมีพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มีชญาสองคนตระเตรียมทรัพย์สำหรับจ่าจีวอนเฉพาะผืนเฉพาะผืนไว้เฉพาะภิกษุว่าเราทั้งหลายจักจ่าจีวรนเฉพาะผืนเฉพาะผืนด้วยทรัพย์สำหรับจ่าจีวอนเฉพาะผืนเฉพาะผืนนี้แล้วอย่างภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรหลายผืนด้วยกัน ถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ปบาบรณาไว้ก่อนเข้าไปหาแล้วถึงการกำหนดในจีวรในสำนักของเขาว่าดีละขอท่านทั้งหลายจ่ายจีวรเช่นนั้นเช่นนี้ด้วยทรัพ์สํารับจ่ายจีวรเฉพาะผืนเฉพาะผืนแล้วทั้งสองคนรวมกันยังรูปให้ครองจีวรผืนเดียวเถิดเป็นนิสากิยะปาจิตติถือเอาความเป็นผู้ใครในจีวรดี ความแห่งสิกขาบทนี้เหมือนแห่งสิกขาบทก่อนต่างแต่เพียงเขาต่างคนต่างเตรียมจะหาจีวรถวายคนและผืนคล้ายถวายพระบวชใหม่ภิกษุเข้าไปพูดให้เขารวมซับเข้าเป็นอันเดียวกันจ่ายจีวรแต่ผืนเดียวหรือลดจำนวนน้อยลงมากกว่าแต่เป็นของดีกว่าเฉพาะผืนทาอย่างนี้เขาไม่ต้องเพิ่มซับขึ้นอีกแต่เหตุไหนไม่ทรงอนุ ญ, ญาต เข้าใจว่าเพราะเขาไม่ได้ปาวรณาไว้เดิมเข้าไปพูดเช่นนั้นเป็นการเกินงามนิสักคียปาปจิตตีสิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งพระราชาก็ดีราชาอมาตตก็ดีพราหมกก็ดีขรุหาบดีก็ดีส่งทราบสำหรับจ่าจีวร ด้วยทูตเฉพาะภิกษุว่าเจ้าจงจ่ายจีวรด้วยทรัพย์สําหรับจ่ายจีวร น, นี้แล้วอย่างภิกษุชื่อนี้ให้กรองจีวรถ้าทูตนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทรัพย์สําหรับจ่ายจีวร น, นี้นํามาเฉพาะท่านขอท่านจงรับทรัพย์สําหรับจ่ายจีวรภิกษุนั้นพึงกล่าวต่อทูตนั้นอย่างนี้ว่า พวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวร อ, อันเป็นของควรโดยการถ้าทูตนั้นกล่าวต่อภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าถ้าคใครๆผู้เป็นวัยาวัจกรของท่านมีหรือภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทาการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวัยาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแล เป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายถ้าทูตนั้นสั่งไวยาวัจกรนั้นให้เข้าใจแล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าคนที่ท่านแสดงเป็นไวยาวัจกรนั้นข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาจักให้ท่านกรองจีวรตามการภิกษุผู้ต้องการจีวรเข้าไปหาวยาวัจกรแล้ว พึงทวงพึงเตือนสองถึงสครั้งว่ารูปต้องการจีวรภิกษุทวงอยู่เตือนอยู่สองถึงสครั้งยังไว ย, ยาววชกรนั้นให้จัดจีวรสําเร็จได้การให้สําเร็จได้ด้วยอย่างนี้นั่นเป็นดีถ้าให้สําเร็จไม่ได้พึงเข้าไปยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งหครั้งหกครั้งเป็นอย่างมาก เธอยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเป็นอย่างมากอย่างวิยาวจกรนั้นให้จัดจีวรสสำเร็จได้การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนี้นั่นเป็นดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นอย่างจีวานนั้นให้สำเร็จเป็นนิสตคิยาปาจิตตีถ้าให้สำเร็จไม่ได้พึงไปเองก็ดี ส่งทูตไปก็ดีในสำนักที่ส่งรั์สำหรับจ่ายจีวรมาเพื่อเธอบอกว่าท่านส่งรั์สำหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะภิกษุใดซับนั้นหาสาเร็จประโยชน์น้อยหนึ่งแก่ภิกษุนั้นไม่ท่านจงทวงเอาคืนรั์ของท่านรับของท่านอย่าได้ชิบหายเสียเลยนี้เป็นสามีจิ ก, กรรมคือการชอบในเรื่องนั้น พัะคันถารจนาจารย์แก้ความแห่งสิกขาบทไว้ในคำพีวิพังกล่าวซ้ำความอีกวาระหนึ่งเป็นแต่ไข ค, ความในข้อที่ควรอธิบายจะกล่าวแต่เฉพาะบางคำคำแสดงวยาวัจกรนั้นพูดเปลยท่านจึงห้ามว่าอย่าสั่งให้เขาให้อย่ารับรองว่าผู้นั้นจะเก็บไว้ จากแรก จ, กจากใจเพราะคําทวงคําเตือนพูดเปลยแต่เพียงว่าต้องการจีวรท่านจึงห้าไม่ให้พูดว่าจงให้แก่รูปจงเอามาให้รูปจงไปแลกจงไปจ่ายให้รูปในข้อว่าพึงยืนนิ่งต่อนหน้านั้นท่านสั่งว่าอย่านั่งบนอาสนะ อย่ารับอา mith อย่ากล่าวธรรมะเขากล่าวว่ามาธุระอะไรพึงกล่าวว่ารู้เอาเองเอถิดท่านั่งบนอาสนะก็ดีรับอามิต h ก็ดีกล่าวธรรมก็ดีชื่อว่าหักการยืนเสียท่านเทียบการเตือนและการยืนไว้ว่ายืนสองครั้ง เท่ากับเตือนครั้งหนึ่งและยอมให้แรกกันได้ขอให้ไปบอกเจ้าของเมื่อไม่ได้รับประโยชน์แต่ทรัพนั้นเป็นสามีจิกรรมนั้นพระอัฏฐกะถาจารย์แก้ว่าไม่ทำต้องอาบัตทุกกฎเพราะเป็นวัตฏเพศคือละเลยกิจวัตรความเห็นของข้าพเจ้าว่า เรื่องนี้ควรกําหนดด้วยกรรมสิทธิ์ที่ภิกษุมีเพียงไรท่านฮามีให้สั่งให้มอบแก่ว ย, ยาววจกรเพื่อจะหลีกจากสั่งให้รับรูปียะคือเงินตราทัานฮามีให้รับรองว่าเขาจักเก็บจักจ่ายนั้นก็เหมือนกันทัาหฮามีให้ทวงตรงๆนั้นจะถือว่าทูตไม่ได้พูดมอบให้กรรมสิทธิ์กระมัง แต่การที่เขาไปบอกนั้นชื่อว่าเป็นอันให้กรรมสิทธิ์อยู่เองถ้าจะนึกโดยอย่างอื่นก็เป็นเล่นํำนวนไปในสิกขาบทห้าไม่ให้พยายามกว่ากำหนดนั้นไปจะเป็นเพราะทำเกินงามก็ได้ไม่ใช่เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่เช่นนั้นจะต้องบอกเขาทำอะไรคำเสียสละจีวร น, นิสักขีแก่บุคคลว่าดังนี้อิทังเมพันเตจิวรังอธิเรกติขัตุงโจทนายะอธิเรกชักขัตุงฐาเนนะอภินิพพาทิตังนิสักขิยังอิมาหังอายสมโตนิสัตชามิแปลว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าให้สำเร็จด้วยทวงเกินสามครั้งด้วยยืนเกินหกครั้ง จำจะสละข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านเมื่อภิกษุทวงและยืนครบกำหนดแล้วเลิกเสียไม่พยายามต่อไปว ย, ยาวัจกรถวายเองก็ดีเจ้าของทวงเอามาถวายก็ดีไม่เป็นอาบัต